ก็วันนี้เราก็จะได้นำเอาเรื่องที่เราคุยกันเมื่อวานมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานเป็นการาสนทนาและการเสวนาในค่อนข้างจะไม่ต่อเนื่องอมันก็เป็นทัอนทอนไปสำหรับคนที่ มาเมื่อวานก็ได้ฟังไปส่วนหนึ่งแล้วสําหรับวันนี้ก็จะมีมาคนที่ใหม่มาฟังเพื่อจะได้ทบทวนเกี่ยวกับหลักการวิชาการบ้างในบางครั้งทั้งนี้เพื่อให้เราได้รู้ในส่วนทั้งที่เป็นแผนที่และการเดินทางถ้าเรารู้อ่า เดินทางการเดินทางแต่ว่าไม่มีแผนที่แผนที่ไม่ชัดนี่เราก็จะ <c oughs> ไม่แน่ใจในการเดินทางว่าเราเดินทางถูกทางผิดอย่างไรเมื่อเดินทางที่ไม่แน่ใจเราก็เดินไม่เต็มที่ก็ขาดความมั่นใจในการเดินแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงเมื่อไหร่นะแต่ถ้าสมมติว่าเราเซตแผนที่ ให้เสร็จแล้วก็ออกเดินทางนะเดี๋ยวนี้ที่มันก้าวหน้ากว่าแผนที่ก็คือมี GPA นะซึ่งได้เราไปบางส่วนดังนั้นการที่เราจะนะปฏิบัติอะไรก็ตามถ้าเรามองเห็นเส้นทางของการปฏิบัติชัดเจนเราก็รู้สึกว่า ได้สัมผัสผลของการปฏิบัติไปทุกขนาดโดยที่ไม่ได้หวังผลสุดท้ายว่ามันจะสาเร็จลงเมื่อใดเหมือนเราเชื่อมั่นในก้าวย่างในการเดินเราก็สาเร็จทุกๆฝีก้าวที่เราเดินชั้นไหนก็ดีการเดินทางทางจิตเราก็ต้องเห็นภาพชัดเจนว่าเราจะไปไหนเราจะก้าวอย่างไร มีความปลอดภัยแค่ไหนนี่เราก็จะต้องทำความเข้าใจพร้อมๆกันไประหว่างภาคปฏิบัติและภาคปริยัติหรือทฤษฎีควบคู่นไปน่โดยเฉพาะอย่ายงยิ่งลักษณะการอันนี้ก็จะสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันอาสมสินปที่ว่า learning by doing คือหมายความว่า เรียนรู้ด้วยการกระทำเรียนรู้จากการกระทำก็ได้นะดังนั้นเราก็มีการทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนั้นหลวงพ่อจะเริ่มต้นจากเมื่อวานที่มาทุบทรวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นขบวนการความรู้อันเดียวกันและบางส่วนหลวงพ่อจะได้เสริมให้เห็นชัดขึ้นจากเมื่อวานที่ค่อนข้างจะอ่า ปฏิปัติกกันคนละท่อนคนละส่วนเริ่มต้นจากปารุที่ว่าเพราะเหตุใดว่าสติปันสีที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นหนทางเพียงทางเดียวเอกายณนมัคโคอ่าอดางเอกเอกโกยยณุมัคโคอืว่า หนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจบทีนี้ก็ตั้งประเด็นถามว่าทําไมจึงมีหนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวทั้งๆที่ว่าทางที่หลวงพ่อถามว่ามีในพระไตรปิฎกตั้งหลาย8ปดหมสี่ันทางหรือทางกรรมฐานก็ถ้งสี่สิบทางแต่พรกวสิฎฐิประธานเป็นหนทางเพียงทางเดียวเพราะอะไร นซึ่งก็เจ้าหนุ่มเสื้อสีชมพูกหนไ้างด้วยนี่เจ้าหนุ่มที่ถ่ายวิดีโอหายไปเนี่ยเพราะฉะนั้นในส่วนที่ว่าหนทางเพียงทางเดียวหมายถึงว่าสติเป็นเส้นทางนะเอาสติความรู้สึกตัวเป็นเส้นทาง เพราะว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าบอกว่าถ้าเขายังมีสติสัมป र ดีอยู่ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นคนปกติถ้าเราขาดสติสัมป र ดีก็ถือว่าเป็นคนผิดปกติเพราะนั้นตัวสติจึงเป็นพื้นฐานของคนทุกคนนะเป็นพื้นฐานอ่าเป็น ถือว่าความเป็นคนจะเริ่มต้นที่การมีสติสัมปชัญญะถ้าหากว่าคนไหนที่มีสติสัมปชัญญะบกพร่องหรือสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ก็ถือว่าความเป็นคนขาดหายไปเขาไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์นะดังนั้นก็พระองค์ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วก็หยิบเอาตัวเําว่าสติปัฏฐานขึ้นมาเป็นเส้นทางนะ และในเส้นทางนี้มันจะยาวอยู่ประมาณ400กิโลเมตรเรียกว่าสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาะทีนี้ในตัวสติปัฏฐานสี่ที่ว่าเป็นทางเดียวเนี่ยมันก็ จะต้องเข้าใจให้ชัดว่ามันเป็นทางอื่นไปไม่ได้นะแต่เส้นทางปกติเนี่ยเส้นทางเดียวตามปกติถนนเนี่ยมันมีกี่เลนถนนปกติมีกี่เลนมีสองเลนใช่ไหมเลนซ้ายเลนขวาทางเดียวแต่มีสองเลนดังนั้นที่ว่าสตตานังวิสุทธิยาผู้ความลิสุดธหมดเถลือของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทางนี้นะ ที่จะนำไปเนี่ยมันมีอยู่สองเลนคือเลนซ้ายเลนขวานั้นหมายความว่าในเส้นทางของจิตมีอยู่สองลักษณะคือรูปกับนามหรือกายกับใจนี่แล้วมีสองเลนถ้าหากว่ามีเลนเดียวเนี่ยรถมันก็จะมีแต่วิ่งไปไม่มีวิ่งสวนก็จะไปมาลำบากถ้าลึกริ่งไปกว่า น, นั้นก็คือ รูปกับนามมีกายกับใจแล้วมีเกิดกับดับมีสมมุติปรมาติมีสุขกับทุกข์มีบุญกับบาปไปเนี่ยนีย่มีแค่สองนี่เลนเดียวทางสายเดียวจะมีสองเล น, นทีนี้ตัวสติเป็นมรรคไกโนเป็นมรรคที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายที่ได้กล่าวไปส่วนหนึ่งแล้วว่า คำว่าสัตว์ทั้งหลายในที่นี้ก็หมายคว่าสัตว์ทุกตนทุกตัวเนี่ยมันก็จะมีจิตใจของเราเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์นะยังไม่บริสุทธิ์ความเป็นสัตว์สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะาสาอาดบริสุทธิ์ขัดเกลาวความเป็นสัตว์ขึ้นมาเป็นคนขัดเกลาวความเป็นคนขึ้นมาเป็นมนุษย์ ขัดเกาวความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นเทวดาขัดเกาวความเป็นเท ว, วดาขึ้นมาเป็นอินทรียพรมขัดเกาวความเป็นอินทรียพรมก็ขึ้นมาเป็นพระอริยะเจ้าชันโซดาสกีนาคาอนาคทานเนี่ยขึ้นมาตามลําดับฟอกฝนเขาเรียกฟอกฝนให้ละเอียดไปตามลําดับโดยอาศัยตัวเนี่ยตัวสติสัมปชัญญะนี่แหละดังนั้นทุกขณะที่เรายกเราเคลื่อนเราไหวนี่นี่คือการฟอกฝนจิตนะ จากที่จิตของเรามันแปดเปื่อนไปด้วยระดับของสัตว์ระดับต่างๆสัตว์ชั้นต่ำมีสัตว์ชั้นกลางสัตว์ชั้นสูงสัตว์ชั้นต่ํามีสชนิดคือสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตวอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์ชั้นกลางก็มีสัตว์มนุษย์สัตว์เทวดาสัตว์อินสัตว์พรมแล้วก็ขึ้นมาเป็นชั้นสูงที่นี่พ้นจากความเป็นสัตว์ ก็เลยว่าอริยบุคคลก็มีสี่คือจากความเป็นโสดาสกินาคานาคาพระหันนะอย่างอย่างแรกสอย่างแรกสี่หลังยจ็สี่นะมนุษย์อริยภูมิสี่นะมนุษยภูมิสี่อริ ย, รยภูมิสี่นี่คือหลักของเขาทีนี้หลักการก็ไปจากการฝึกฝนเนี่ยถามว่าทำไมต้อง ต้องฝอกฝนด้วยเล่าโดยคอมมอนเซน์เนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะทําอะไรก็ตามเราจะต้องทําให้มันสะอาดจะกินข้าวจะรับประทานอาหารก็ต้องสะอาดจะใส่เสื้อใส่ผ้าก็ต้องสะอาดจะอยู่บ้านอยู่เรือนก็ต้องสะอาดต้องซักต้องล้างต้องเช็ดต้องถู โดยคอมม Sense ที่เป็นวัตถุที่ง่ายที่สุด่ถามว่าทาไมต้องทำให้สะอาดด้วยเราเพราะรู้ว่าความไม่สะอาดนั้นทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเราต้องทานอาหารไม่สะอาดดูเป็นอย่างไรเราใส่เสื้อผ้าไม่สะอาดเป็นอย่างไรเราใช้ของไม่สะอาดเป็นงไงเป็นเีตปัจัยก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้โดยง่ายก่อให้เกิดความทุกข์และความจิตป่วย ให้เกิดการบัทอรคุณภาพของความเป็นมนุษย์ลงนะแม้แต่น้าจิตใจก็เหมือนกันก็ต้องการความสานะอาดความสกรปรกทางด้านวัตถุเราเรียกว่าความสกรปรกมลทินเปือกตมฝุ่นผงนะน้าบใครนี่เราเรียกว่าเป็นมลทินทางด้านาจิตใจแล้ว แล้วอะไรเป็นมูลทินของจิตอะไรเป็นคราบใครอะไรเป็นฝุ่นผงนะดังนั้นมีคําหลายคําที่พระพุทธองค์ท่านใช้เช่นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาเบาบางนี่นั่นหมายความว่าคําว่าทุลีคือฝุ่นผงอตาในที่นั้เหมือนกาในดังนั้นการที่จะฟอกฝน จิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ใช้ตัวเนี่ยตัวสติตัวสตินี่เบียดเสมือนน้ำเนี่ยเบียดเสมือนน้ําเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะซักจะล้างจะอะไรก็ตามน้ําเป็นหลักไว้ก่อนเชื่อว่ะเป็นแคบเป็นผงเป็นสก็ตไบเป็นผ้าเป็นเครื่องสารเคมีต่างๆที่จะเข้าไปผสมน้ําเพื่อชำระวัตถุนั้นๆก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่เบื้องต้นต้องใช้น้ําไว้ก่อน วันหนึ่งชีวิตเราเกี่ยวข้องกับน้ำมากมายในชีวิตในส่วนรูปธรรมชั้นใดในส่วนนามธรรมก็นั่เหมือนกันวันหนึ่งจิตใจเราถ้าจะต้องให้จิตใจของเราได้มีความสะอาดความสะดวกความสบายความปลอดภัยแล้วก็ต้องชำระด้วยน้ำคือสติอีกเช่นเดียวกันทีนี้วิธีการชำระเนี่ยมันไม่เหมือนรูปธรรม เพรูปธรรมนั้นมันเป็นน้ําจริงๆมันเป็นค่าเป็นใครที่จับต้องได้จริงๆแต่ในแง่ของนมามธรรมนั้นจิตใจของเราเป็นนมามธรรมสติที่จะเข้าไปชําระก็ต้องเป็นนมามธรรมนะสิ่งที่จะต้องเข้าไปฟอกฝนก็เป็นนมามธรรมนี่มันยากตรงนั้นเองเมื่อนึกถึงความสะอาดภายนอกสิ่งที่เป็นรูปธรรมเรานึกได้โดยง่ายแล้วก็สัมผัสเราก็ทํามันอยู่ทุกวีทุกวัน ในขณะเดียวกันเมื่อจะมาฟอกฝนจิตเราก็ทำในวิธีการเดียวกันคือหนึ่งจะต้องหาแหล่งน้ำให้พบนะแหล่งน้ำภายนอกเนี่ยเรารู้ว่าจะหาอย่างไรแหล่งน้าที่กาเนิดแหล่งน้าพวกเราทั้งหลายพอจะนึกได้ไหมว่ากำเนิดแหล่งน้ำที่ แห่งแรกที่สุดมาจากไหนแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดมาจากไหนไม่ใช่ไหนนี่กลังมาจากไหนนี่มาจากท้องฟ้า <c oughs> ไม่นา่าเสียงดังโครมโครมอยู่นี่ว่าทะเลอยู่จนได้นะี่ <c oughs> แหล่งแหล่งน้ำที่สุดคือท้องฟ้าและตูด ม, มหาสมุทร แหล่งน้ำพิศสาร ด, ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าตกมาสู่ที่อื่นแล้วเจนแหล่งน้ำาด้านกันแต่ว่าสะอาดไหมไม่สะอาดเพราะนั้นแหล่งน้ำภายนอกคือมาจากท้องฟ้าแหล่งน้ำที่ทางด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันมาจากคำว่าจิตวิ ญ, ญญาณภพสระมีทางจิตตังอาคันตุกเกเสหิอุปกลีถัง ดั้งเดิมนั้นน้ําคือจิตนี้สะอาดบริสุทธิ์แต่เมื่อตกลงมากระทบผิวดินเข้าไม่มีการป้องกันน้ําถึงสกปรกไปนี่ถ้าจะแปลตามภาษานามมาทำก็จิตนี้เดิมแท้สะอาดเมื่อกระทบเข้ากับอุปกิเลสเมื่อฝนผงมลทินกิเลสทั้งหลายจิตนี้จึงสกปรกไปในยะอันเดียวกันนะ จิตนี้เดิมแท้สะอาดทีนี้ตัวที่จะมาเป็นภาชนะเป็นเรื่องสำคัญสติเราอาจจะเปรียกเส ม, มือนหนึ่งว่าเป็นภาชนะก็ได้สติสัมปชัญญะที่ชำระช้าล้างสตร์แล้วเนี่ยเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาปัญญานั่นเป็นภาชนะที่สะอาดส่วนฝนคืออะไรเล่าเม็ดฝนคืออะไร นาเม็ดฝนคือตาหูจมูกกลิ้นกายใจเมื่อกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะฉะนั้นเม็ดฝนที่มาจากข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบอายตนะภาชนะที่เป็นถ่ายฝ่ายรูปคือรูปตาหูจมูกกลิ้นกายใจเมื่อตกกระทบมันเข้าเมื่อ ภาชนะจิตนั้นมีแปดเพื่อนด้วยอวิชชาแปดเพื่อนด้วยอวิชชาจิตนั้นเกิดเสมือนจึงมีภาเป็นภาชนะที่ไม่สะอาดท่านเชื่อว่าอาวิชชาเป็นยอดของมนทิ น, นคือความไม่รู้สึกตัวความไม่รู้เท่าทันความรู้เท่าไม่ถึงการความไม่ เอาใจใส่ความละเลยความเพิกเฉยความประมาทความเลินเล่อแล้วแต่จะเรียกแต่รวมเรียกว่าอาวิชชาดังนั้นเองเมื่อเรารู้หลักว่าเมื่ออวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันเป็นมลทินสิ่งที่จะมาชำระตัวอวิชชาคือมลทินนี้ก็คือตัวอวิชชาแปลว่าความไม่รู้สิ่งที่จะมาชำระความไม่รู้ก็คืออะไร คือความคือความรู้เอาวิชามาแก่เอาวิชามาแก่ที่นี้เราจะสังสมวิชาได้อย่างไรวิชามาจากไหนตรงนี้สำคัญเสียดายว่าฝนตกไม่กัน o i s e ทำให้เสียงดังก็อาจจะตั้งใจฟังหน่อยน ะ, ะตั้งใจฟังหน่อยสำหรับ t r ร n s สเตเตอร์ก็โปรดช่วย ดีแาบวดีของเราด้วยก็เลิกไงดีแล้ดี I อ i อสาย t ูสัญญาณ e ะถ to ี e l ข you. Uh, I have no chance to translate to like it and that maybe make me trouble <laughs> trouble me so let your friend try to translate for for you yeah ดังนั้นเราจะต้องสร้างวิชา ขึ้นมาเพื่อชำระอะวิชาทีนี้วิชาจะมาได้อย่างไรสมมติว่าที่มาของน้ำสะอาดถ้าเราไม่มีภาชนะที่สะอาดรองรับน้ำฝนเราก็ต้องไปตามเก็บน้ำที่มันตกลตงดินแล้วเอากลับมาเป็นน้ำสะอาดนะครั้งหนึ่งอามามีโอกาสได้สนทนากับหลวงพ่อพุทธทาส เพราะท่านมีคอนเซปต์ที่ว่าจิตเดิมท่านยืนยันว่าจิตเดิมแท้สะอาดผ่องใสไม่ได้แปลกเพื่อนไม่ได้มีกิเลสอันหาวตานมาแต่ก่อนแต่ตเมื่อได้รับการกระทบแล้วขาดตัววิชาอาวิชาจึงทำหน้าที่แทนจิตนั้นจึงตกไปสู่ตัวแปลกเพื่อนและมนทินเอามาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้น เราทำไมไม่สร้างอาณาจักรขึ้นมาอาณาจักรหนึ่งเมื่อเด็กเกิดมาใหม่ๆก็ให้เอาเด็กเนี้ยไปเลี้ยงอยู่ในอาจักรนี้หมดโดยที่ไม่ให้ต้องไม่ให้เด็กต้องได้รับสัมผัสที่มันแปลกเพื่อนให้เขาได้รับสัมผัสที่ดีๆเป็นวิชาไว้เพื่อเขาจะได้คงความสะอาดเป็นอริยะตั้งแต่เกิดแล้วเราทาไมจึงไม่สร้างแบบนั้นขึ้นเมื่อเรามั่นใจว่าคนบริสุทธิ์มาแต่เกิด เราก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาหนึ่งเพื่อจะเอาคนที่เกิดมาไปอยู่รวมกันและพัฒนาเป็นพระอริยะเลยไม่ต้องปฏิบัติให้ลำบากท่านตอบว่ายัางไงถ้าเป็นพวกเราเราจะตอบว่ายัางไงท่านตอบว่าในความเป็นจริงเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นเขามาเกิดมาในสังคมไหนเขาร้เติบโตในสังคมนั้นถ้าแยกตัวเข้าไปอีกจงหักแล้ว นั่นหมายความว่าเขาไปอยู่สังคมที่แผรเคลี่ยนเติบโตมาเขาอาจจะเป็นคนไม่ปกติอันนี้คือคำตอบของท่านก็มีเหตุผลน่าฟังนนั่นหมายความว่าเราจะต้องมาหนึ่งเมื่อเราไม่สามารถรักษาน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าให้สะอาดได้คือไม่สามารถจะร่วมเด็กที่ให้มีจิต บ, บริสุทธิ์ได้ตั้งแต่เกิด เราก็ต้องมาลงทุนนำน้ำที่มันตกลงไปสู่ดินแล้วเนี่ยเอามากรองหรือขุดบ่อน้ำลึกหรือสูบบ่อเบดาบาดาลขึ้นมางานอันนี้ก็ขบวนการต่อไป น, นั่นเราทั้งหลายเมื่อกันเกิดมาในตระกูลในครอบครัวที่แตกต่างกันไป ครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิบ้างสัมมาทิฐิบ้างครอบครัวที่เป็นบุญบ้างเป็นบาบ้างครอบครัวที่มีการศึกษาบ้างไร้การศึกษาบ้างครอบครัวที่ยากจนบ้างร่ารวยบ้างแตกต่างกันไปจิตใจเราก็จะแปดเปื้อนขุนมัวไปตามสิ่งแวดล้อมเมื่อเราทั้งหลายได้เจริญเติบโตมาในครอบครัวที่มีเสียงแวดล้องต่างๆเราก็ไม่ได้ฝึกฝนทางด้านวิชาที่ถูกต้องเราก็ถูก อาวิชาครอบงําไม่ว่าตระกูลนั้นจะเป็นยากดีมีจนอย่างไรก็ตามแม้แต่บุคคลนั้นเกิดในตระกูลสามมาทิติแล้วก็ตามและเขาก็ต้องอยู่ไปอยู่กับสังคมส่วนรวมที่ใจก็แปดเปื้อนอยู่ดีดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ได้รับทุกโทษที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพรตัวที่กําหนดชีวิตมนุษย์ตามหลักของจิตวิทยาแล้วมีสองอย่างคือหนึ่งกรรมพันธุ์สองสิ่งแวดล้อมแต่ว่านักมนุษยนิยมให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมแม้นะแต่พระพุทธเจ้าเองก็ให้ความสําคัญแก่สิ่งแวดล้อมเช่นมีนิทานหลายๆอย่างที่ท่านยกมาเช่นว่านกแขกเต้ า, าเกิดมาในพ่อแม่ลังเดียวกัน แต่วันหนึ่งเมื่อถูกพายุพัดเอาลังนั้นกระจยกระจายไปลูกนกแขกเข้าก็ไปตกคนละที่ตัวหนึ่งไปตกในหมู่โจรตัวหนึ่งไปตกในอาศรมพระฤาษีเนี่ยปรากฏว่าตัวที่ตกในหมู่โจรมันก็ได้นิสัยอย่างโจรคือได้ยินได้ฟังได้รับรู้รับหินอาการของโจรทุกวันวราวันนี้เราจะไปป้นที่ไหนวันนี้เราจะไปฆ่าที่ไหนวันนี้เราจะไป จบ ช, ชิงวิญญาณี่ไจะพรึกษากับเรื่องนี้เป็นประจำนกแขกเจ้าก็เจริญเติบโตมาในบรรยากาศอย่างนั้นส่วนนกแขกเจ้าที่ตกในอาสมพระฤาษีก็ได้ยินแต่เรื่องของการรักษาศีลการทําสมาธิการเจริญฌานการแผ่เมตตาไปรทุวันท้วนในที่สุดวันหนึ่งพระราชาเมืองหนึ่งเข้าไปล่าสัตว์ในป่าเกิดพัดหลงจากหมู่คณะจากเสนามาจไปคนเดียว ใ น, นที่สุดก็ไปพักอยู่ใต้ต้นไม้ไปเจอนกไข่เต่าที่อยู่ในรังโจรก็เลยรู้ว่าเป็นพระร า, าช า, ามีเครื่องประดับสนิมพิมพ์พรเต็มเนื้อเต็มตัวก็เลยบอกว่าเออนี่วันนี้เป็นลาบของนายเราแล้ ว, ลวตอนนี้มีมนุษย์ที่มีทรัพย์สมบัติเต็มตัวามานอนอยู่ที่นี่เราจะไปบอกนายของเราให้มาจับ เพื่อแย่งเอาทรัพย์ของวูลุตคนนี้เสียเมื่อพูดขึ้นอย่างนี้พระราชาชึ่งฟังเสียงนกออกก็เลยขบม้าวิ่งหนีจากที่นั่นจนไปถึงไอาศุลพุริษีเมื่อก่อนไปถึงไอศุลพุริษีมีต้นไม้อยู่หน้าไอศุลก็นกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งก็เกาะ อ, อ, อยู่ที่นั่นเมื่อเห็นพระราชาเข้าไปพักใต้ต้นไม้ตัวนั้นก็บอกว่าโอ้ ดีแล้วหนอท่านผู้เจริญได้เข้ามาสู่อาสมเป็นบุญกุศลของท่านที่ได้เข้ามาสู่อสมอาจารย์ของเราผู้ทึ่มีเมตตาการุณาอาขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีพระราชาก็ได้ยินเสียงนกแล้วก็ฟังรู้เรื่องอีกว่าเอ๊ะทําไมเราได้ฟังเสียงนกทั้งสองตัวทําไมจึงพูดต่างกันอย่างนี้ก็เข้าไปเฝ้าพฤษีแล้วเล่าเรื่องพฤษีเหล่านี้ฟังพฤษีก็บอกว่าอันนี้คือ สิ่งแวดล้อมทำให้นกซึ่งมาจากพ่อแม่เดียวกันรังเดียวกันแต่ไม่นีสายคนระ อ, อย่างเรื่องนี้ถึงไม่จะเป็นนิทานแต่ก็บอกอะไรบางอย่างว่าเราจะเกิดมาไม่สามารถจะเลือกเกิดได้ว่าในตระกูลยากดีมีจนแต่เราสามารถเลือกสิ่งแวดล้อมได้เราไม่สามารถจะเลือกกรรมมาพันได้แต่เราเลือกสิ่งแวดล้อมได้ดังนั้นเองในอาศสมศีลของเราเนี่ยเป็น สถาบันที่สร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาที่จะให้เป็นสิ่งแล้อมที่เป็นสัมมาทิฏฐิพวกเราทั้งหลายจึงมีบุญกุศลเป็นอย่างมากที่เดียวได้เข้ามาสู่สถาบันแห่งนี้เพราะว่าเราพยายามนำเอาสิ่งดีๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญสติประฐานมาเป็นแกนหลักเป็นนโยบายของสถาบันแต่ว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นสมาชิกในสถาบันเนี่ยเราจะต้องเข้าใจ ในเรื่องราวของสติปฐานอย่างชัดเจนทั้งฝ่ายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด, ด้วยถ้าเราเข้าใจต่ภาคทฤษฎีอย่างเดียวก็ไมไ่ต่างจากสำนักหลักแหล่งที่เขาสอนกันโดยทั่วไปแต่เราทั้งหลายนอกจากรู้เรื่องทฤษฎีของสัมมาสติแล้วก็จะต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติให้เขาถึงสัมมาสติด้วยและสัมมาสตินี้จะก่อให้เกิดวิชาในที่สุด ดังนั้นเราลองมาดูว่าอะไรไปถึงวิชาดังนั้นที่เราจะนํามาแก้ตัวอวิชาซึ่งเป็นเสมือนมวลทินฝุ่นผงคราบภายัยเกาะจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาจเจ้าวิชาอย่างไรมาแก้วิชานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรตรงนี้ตั้งใจฟังให้ดีอย่างที่เรามีวันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมานั่งฟังกันตรงนี้เนี่ยอันดับแรกที่สุดที่เรารู้เรื่องว่าจะปฏิบัติอย่างไร จะศึกษาอย่างไรจะทำยังไงให้ถูกต้องประการแรกที่สุดที่มองเห็นเห็นมีปัจจัยอะไรเป็นตัวสำคัญอันแรกที่สุดคือได้พบกับใครกันเรียนมิตรปัจจัยตัวแรกที่สุดต้องได้พบกับเรียนมิตรกันเรียนมิตรนี้มีมีสามปัจจัยรวมเป็นตัวของกันเรียมิตรปัจจัยที่หนึ่งครูบาอาจารย์ที่ ดีเชื่อถือได้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นแบบอย่างได้อันที่สองเรียกว่ากิริยาณสหายอย่างเรามานั่งเนี่ยเราไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวมีสหายนั่งร่วมกันเยอะไปหมดมีเพื่อนที่ดีทั้งนั้นเพื่อนที่ตั้งจิตดีเพื่อนที่มีความประพุทดดีมีสติปัญญาดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยดีเรียกว่ากริยาณสหาย เราจึงอบอุ่นด้วยเพื่อนนี่คือองค์ประกอบที่สองของกเรไม์คือกริยาณสายองค์ประกอบที่สมเรียกว่ากิริยานสัมปวังกตาคือการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีบุคคลใกล้ชิดที่ดีเช่นเรามีแม่ครัวที่ดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมคือสภาพแวดล้อมแม้จ่อยู่ในกรุงเทพที่หนาแน่นไปได้วยผู้คน แต่พอหลุดเข้ามาตรงนี้แล้วเหมือนหนึ่งว่าอาณาจักรหนึ่งที่มีความเงียบสงบพอสมควรนี่เขาเรียกว่าปัจจัยของกเรมิตถึงประกอบด้วยหนึ่งอุบอาจารย์สองเพื่อนมิตรสหายสามสภาพแวดล้อมนี่สมบูรณ์ทั้งสามอย่างนี้เงื่อนไขที่หนึ่งเราได้พบกรเคมิท ว่าจบเลยจะได้พักกันเมื <laughs> ่อได้พบ ก, กันยามิตรแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรปจจัยที่สองอการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังนี้เรียกว่าสุตะมยะปัญญาและสุตะมยะปัญญานี้จะนำไปสู่กินตามมยะปัญญาและกินตามมยะปัญญาก็นำไปสู่ตัวภาวน า, ามยะปัญญา ดังนั้นตัวสูตรตามแม่ยาปัญญาจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราได้พบกับกรารยานิสเนี่ยที่ตัวและยินได้ฟังนี้ทําให้เกิดความเชื่อมัน่นโดยศรัทธาโดยความเชื่อมัน่นตัวนี้เองตั ว, ก า, ก, ก, ตว ก, าาการยานิสก็จึงทาให้เกิดตัวสัพพาเพราะมีอาการทําให้เกิดตัว ปัญญาเชื่อมัน่นขึ้นนั่งฟังไปเรื่อยๆนะถ้ามีเทียนก็มาจุดสักเล่มก็ดีถ้าเกิดไฟมันไม่ได้งา่ายเมื่อมีศรัทธาแล้วเป็นยไงศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาในพุทธศาสนากับศรัทธาทั่วไปนั้นต่างกันศรัทธาทั่วไปนั้นเป็นศรัทธาที่เชื่อโดยที่ไม่ต้องอาศัยปัญญาก็ได้ศรัทธาที่ เป็นไปโดยหลักของพุทธศาสนานั่นประกอบด้วยองค์สี่คือนะแต่ศรัทธาโดยทั่วไปนั้นมันมีเยอะแยะไปหมดศรัทธาอะไรก็ได้ที่เขาพูดมาที่เราเห็นว่าดีว่างามเราศรัทธาได้ดัน้ศรัทธาในผีในพรามศรัทธาใน อ, าอะไรที่เป็นเรื่องแปลกประหลาดมหาศา์และแต่เราจะเกิดศรัทธา แต่ในพุทธศาสนานั้นต้องฟิกลงไปว่าศรัทธาที่ถูกต้องนั้นต้องประกอบด้วยองค์สี่ประการเท่านั้นนะหนึ่งศรัทธาในการกระทําเรียกว่ากรรมศรัทธานะศรัทธานั้นต้องเกิดจากการกระทําถ้าหากว่าเราไปศรัทธาอย่างอื่นที่เราไม่ได้ลงมือทําเองนั่นศนระัทธาที่เกิดอย่างนั้นไม่ใช่ศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาในพุทธศาสนาต้องศรัทธาที่เกิดจากการกระทํา แล้วก็ทำได้ด้วยแต่บางสิ่งบางอย่างเราไปเห็นแล้วเราเกิดศรัทธาแต่เราทำไม่ได้เช่นเราศรัทธาในนักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้สร้างอะไรที่แปลกประหลาดมหาศาลแต่แล้วก็ทำตามไม่ได้ศรัทธาแบบนี้ก็ยังไม่ถูกเป็นศรัทธานอกตัวเองแต่ศรัทธาในพุทธศาสนาในศรัทธาในการกระทำของตัวเองนะเขเลือกกรรมวสสัทธาอันที่สอง เมื่อมีการกระทําแล้วสิ่งที่เรื่องตามมาเ็เรียกว่ากรรมะวิปากสาัสธาคือสัทธาในผลที่เกิดขึ้นเราทำดีก็ผลดีก็ตามมาทำไม่ดีก็ผลไม่ดีก็ตามมาเราก็เชื่อว่ากรรมนั้นต้องมีผลเมื่อกรรมีผลเราก็ไม่คิดที่จะทำกรรมที่ไม่ดีเพราะมันมีผลไม่ดีเพราะถามทุกคนว่าชอบสิ่งที่ไม่ดีไหมม ม, ม, มีใครชอบ แต่ทําไมบางคนยังทําสิ่งที่ไม่ดีทั้งๆ ท, ที่ชอบไม่ชอบผลที่ดีแต่ทำไมถึงเหตุไม่ดีก็เพราะว่าเขายังไม่มีกรรมวิปลาคัสธาเพราะเขาไม่เชื่อว่าการกระทํานั้นจะมีผลนี่อันที่สองต้องมีความเชื่อในเรื่องผลของกรรมเช่นเรามาปฏิบัติเรามาทําการเคลื่อนไหวเหตุคือการเคลื่อนไหวผลก็คือตัวรู้สึกเราเชื่อว่าความรู้สึกตัวเนี่ยต้องเกิดกับเราเอง เรียกว่าที่สามเลือกกรรมะสกตาสธาคือเชื่อว่ากรรมที่เราทํานั้นผลนั้นไม่ว่าดีหรือชั่วต้องตกกับที่เราก็กรรมะสกตาสธาและกรรมะสกตาสธาเนี่เองก็จะต้องนําไปสู่การสลายกรรมนะสู่การสลายกรรมได้ด้วย หนึ่งหนึ่งเราเชื่อว่ามีการกระทำนะสองเชื่อว่าผลการกระทำได้มีจริงสามผลการกระทำนั้นต้องตกกับตัวผู้ทำเองและสี่กรรมนั้นสามารถสลายได้ต้องเชื่อหลักอันนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นกรรมในศาสนาอื่นเป็นกรรมที่ ติดตัวไปตลอดพบตลอดชาติตลอกับประกาลอันนั้นไม่กรรมไม่ใช่กรรมในพุทธศาสนาแต่กรรมในพุทธศาสนาเนี่ยสามารถสิ้นสุดได้ถ้าเราทําเหตุที่ถูกต้องถ้าเราเชื่ออย่างนี้นะดังนั้นตัวการะยะมิตรทําให้เราเกิดได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังทาให้เราเกิดศรัทธาและศรัทธาตัวนี้เองจะทําให้เกิดตัวสติสัมปชัญญะนะ ด้วสติสมิยะสติสัสมิยะหมายถึงว่าเราฟังแล้วเราพิจารณาแล้วเกิดได้สติเกิดได้สัมิจรเกิดได้ปัญญาขึ้นมาเพราะเมื่อเกิดสภาความเชื่อที่ถูกต้องแล้วเราได้สติได้สํานึกเมื่อได้สติได้สํานึกแล้วก็เกิดการไข้ควรคือเป็นองค์ต่อไปเรียกว่าเกิดโยนิโสมานสิการและตัวโยนิโสมานสิการนี้ ก็จะเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นกับเราเองนะโยนิโสมณสิกานี้คือการเป็นการไข้ควรการพิจารณาลงไปในชีวิตของเราจริงๆเรียกว่าโยนิโสมณสิกานและโยนิโสมณสิกานี้ก็จะนาไปสู่ตัวอินทรีสังวรคือการรู้จักระมัดระวังนะว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิด ดีอะไรเป็นเหตุให้เกิดชั่วรู้จักให้ควรวญรู้จักระมัดระวังเมื่อรู้จักระมัดระวังแล้วเราเริ่มใช้กายในทางที่ถูกเริ่มใช้วาจาในทางที่ถูกเริ่มใช้ความคิดจิตใจในทางที่ถูกเรียกว่าเราเริ่มมีสุจริตสามกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเมื่อเราได้ มีการชำระละมัดระวางการชำระกายวาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเองเราก็มีความพร้อมที่จะเจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานทั้งสี่คือกายเวทานาจิตธรรมที่เราทำอยู่วันนี้มาถึงจุดนี้เรามาถึงขั้นตอนที่สติปัฏฐานสี่แล้วนะเพราะนั้นก็เหลืออีกส3ขั้นตอนที่เราจะไปสู่วิชาได้ พอเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างสมบูรณ์ถูกต้องแล้วก่อให้เกิดตัวโพชชงเจ็ดตั้งแต่สติสัมโพธชงขึ้นไปถึงอุเปกขาสัมโพชชงเมื่อเจริญสามโพธชงได้ครบถ้วนแล้วก็จะเกิดอริมัสมีองแปดใหร้รู้ศีนสัมภิริปัญญารวมบริมัสมีองแปดเหลือสามคือศีนสัมภิริปัญญาเมื่อเราเจริญสีนสัมภิริปัญญาได้ถูกต้องก็เกิดวิชานี่คือตัวนี้ที่จะนำไปล้าง ที่จะนําไปชําระช้าลังอวิชาเพราะนั้นวิชาจึงไม่ได้เกิดขึ้นเลอยลอยมีรากฐานมาลําดับอีกครั้งหนึ่งว่าวิชาตัวนี้จะเกิดขึ้นอันดับแรกสืบอาศัยอะไรหนึ่งกเระยะนานมิตรสองเมื่อพบกเระยนมิตรแล้วทําให้เกิดทำให้เกิดศรัทธาศรัทธาเกิดเพราะการได้ยินได้ฟังสเมืม่อเกิดศรัทธาแล้วทําให้เราได้อะไร ได้สติสัมปชัญญะอันที่สี่เมื่อเกิดสติสัมปชัญญะแล้วทําให้เกิดอะไรเกิดการพิจาครณาไข้ครวญทําให้เกิดปัญญานั่นเองคือโยนิสโสมนสิการประการที่ห้าเมื่อโยนิสโสมนสิการเกิดก็ทําให้เกิดอะไรเกิดระวังสังวรระวังระวังกายวาจา แสงกระทบตาอย่างแรงระวังกายวาจาได้อย่างเลี aj <us> ้ยวอีซีสองวอนและอีซสองวอนที่เราทําสมบูรณ์แล้วทําให้เกิดอะไรเกิดสุจิริสามคือการชําระกายวาจาใจให้สะอาดเรื่อยๆแล้วเกิดสุจิริสาเมื่อสุจิริสาเราทําได้อยู่ถูกต้องแล้วก่อให้เกิดอะไรสติปัญสีที่เรากําลังทําและสติปัญสีเราทําได้อยู่ถูกต้องแล้วทําให้เกิด โพชงเจตและโพชงจิตเราทําได้อย่างถูกต้องแล้วก่อให้เกิดอริยมรรคมีองค์8เมื่ อ, อริยมรรคมีองแปดอย่างถูกต้องแล้วทําให้เกิดวิชาที่มาเอา น, นับนับดูนะ1กรรณณมิตร2ศรัทธาสาม สถิติสมยะสี่ยนิสุมนสิการห้าอีสีสังวรหกสุจิสามเจ็ดสถิติประทานสีแปดพชทชงเจ็ดเก้าอริมักมีองค์แปดสิบวิชา เพื่ยังวิชาที่เรามาทำมันนักไต่ขบวนมาอย่างเนี้ยถึงสิบประการและทั้งสิบประการนี้ถ้าหากว่าเราทําอย่างถูกต้องทบทวนไปเรื่อยๆว่าเรายังอยู่ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนว่าเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วใช่ไหมนั่นหมายความว่าที่เราผ่านไปแล้วหนึ่งเรามีกัณยนมิตรที่ดีสองเรามีศรัทธาที่ถูกต้องสามเรามีสติสัมยาที่ปกติไม่เป็นคนขาดคนเกินนะเรามีตัว สติสัมยะมีสีสังวรรู้จั ก, จกะระวังกายวาจาใจแล้วก็พยายามชำละกายวาจาใจั้ให้สะอาดเป็นสุจริตสามเมื่อเจริญสถิประฐานสี่อยู่ในขั้นตอนตรงนี้ขณะ น, น, นี้เพราะนั้นเหลืออีกสองสามขั้นตอนนี้ก็จะถึงวิชาถามว่าตอนนี้วิชาเกิดบ้างหรือยังเกิดแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองทีนี้วิชาจะสมบูรณ์ได้ทาไง ก็ต้องทวบทวนมาตั้งแต่กิริยานะิมิตจนมาถึงสติปัฏฐาน4แล้วก็พชทชงเดนะังนั้นเองในตัววิชาที่ว่านี้จะนำไปสู่ตัวอันสุดท้ายคือตัววิมุตต์นะตัววิมุตต์หลุดพ้นแต่ว่าเราทั้งหลายนี่ให้จำเป็นแนวไว้ก่อนนันนี้คือเส้นทางที่เราจะเดินถ้าหากว่าวิชาของเราไม่สมบูรณ์ค่อยๆทวนขึ้นไปว่าเราขาดตัวไหนเออยู่นสมติารเราเพียงพอหรือเปล่า หรือว่าอีซีสังวรเราดีแล้วยังเราก็ต้องกลับไปซ่อมเสริมเรื่อยๆในสิตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าสําเร็จเลยนะแต่ว่าตัวเอาศรัท ธ, ธามีกี่เปอร์เซนต์อ่าแล้วก็สติมุ่งมัมีกี่เปอร์เซนต์ที่ทําไปแล้วโยนิสุมโมนัยการได้กี่เปอร์เซนต์อีซ ส, สังวรได้กี่เปอร์เซนต์สุจิริสามได้กี่เปอร์เซนต์ทบทวนไปเรื่อยๆนะอันนี้คือภาคทฤษฎีนะทีนี้ภาคปฏิบัติ นะมาดูภาคปฏิบัติว่าเราเริ่มต้นวิืี้ว่าทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวแล้วก็มีป้ายปากัปกปกัปกปกักปักเอาไว้ป้ายที่หนึ่งคืออะไรป้ายที่สองจนไปถึงป้ายที่10และ11ที่จะไปถึงเป้าหมายปลายทางนั่นนะ่าจะเห็นว่าหลักการทางด้านการปฏิบัติจึงมีหลักทฤษฎีวิชาการรับรองชัดเจนแต่ขอให้เราฝึกจําเอาไว้บ้างเท่านั้นเองถ้าเราอยากจะจํา แต่ถ้าไม่ต้องการจะจำไม่เป็นไรแต่ขอให้จำความรู้สึกตัวเอาไว้ความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะต้องจดจำให้ชัดเจนเช่นตัวรู้สึกตัวที่เราจะจำไม่ได้ชัดเจนเราจะรู้สึกอะไรได้ง่ายที่สุดที่เราเห็นปรกากฏชัดในตัวเรารู้สึกอะไรได้ง่ายที่สุดเวทนาคือสุขเวทนาทุกเวทนาใช่ไหมสัมผัสได้เลยไม่ต้อง ไปจุดจำก็สัมผัสได้ใช่ไหมนั่งเนี่ยนานแล้วหนักแล้วเนี่ยเป็นไงปวดแล้วเจ็บแล้วอาการนี้จะปรากฏใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้เจริญสติเราก็คิดว่าความปวดนี่เป็นเราเราปวดเราปวดขาเราปวดแข้งเราหนาวเราร้อนเราหนักเราหนืดเราสบายไม่สบายเป็นเราหมดแต่เมื่อเราได้เจริญสติปฐานอย่างถูกต้องแล้ว สอนเราว่ากายนี้รูปนี้ศักทว่ารูปหรือกายไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นรูปเมื่อเป็นรูปแล้วสิ่งที่เกิดกับรูปมันเป็นเราไหมอ่าสิ่งที่เกิดกับรูปไม่ใช่เรามันเป็นความรู้สึกแต่ความรู้สึกมีสองแบบคือความรู้สึกที่เป็นเวทนากับความรู้สึกที่เป็น สติใช่ไหมความรู้สึกที่เป็นเวทนาเรียกว่ารูปหรือนามรู ป, รปความรู้สึกที่เป็นสติเรียกว่านามดังนั้ น, น, นเอาสติความรู้สึกมาดูกายดูใจกใจ็คือดูรูปกับนามเพราะนั้นเองแทนที่เราจะดูกายดูใจเพราะกายเป็นส่วนหนึ่งของรูปใจก็เป็นส่วนหนึ่งของนาม เมื่อดูกายดูใจคือดูรูปดูนามนั่นเองนะทีนี้เมื่อเราดูแล้วนี่มันจบเป็นไหมทุกกระบวนาทางกายที่เราได้รับอยู่ขณะ น, นี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะกฎ ข, ของอนานิจังทุกขังอนัตตาอานิจังทุกขังอนัตตาเกิดมาตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่เกิดมาพร้อมนั่นเราเกิด เกิดมาตั้งแต่โลกเกิดนะโลกเกิดขึ้นเมื่อไหร่อา น, นิจังทุกข์กปฏิบัติงานมาตั้งแต่นุ่นนะจนกระทั่งว่าเราตายไปมันก็ยังอยู่นะแต่พระพุทธเจ้ามาค้นพบว่าถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสติปัฏฐานแล้วนี่เราสามารถอยู่เหนือกฎของอา น, นิจังทุกขังนัตตาได้รูปนี้อยู่ภายใต้กฎของอา น, นิจังทุกขังนัตตาแต่นามถ้าหากว่า อา น, นิจังทุกข์นัตตาที่เกิดกับกายไม่ถูกกําหนดรู้อา น, นิจังทุกข์ัตราทางกายมันก็ล่วงล้ําไปในเขตของอะไรของนามนามที่ถูกอา น, นิจังทุกขังนัตตาเข้าไปบุกเข้าไปถึงแล้วเลือกชื่อใหม่ว่านามรูปนะเช่นรู้สึกสบายใจไม่สบายใจความสบายใจไม่สบายใจเป็นนามรูปทีนี้นามรูปนี่อยู่ภายใต้อา น, นิจังทุกขังนัตตาไหม อยู่ไหมรูปน้ำอยู่แน่นอนใช่ไหมแต่น้ารูปไหนอยู่ภายใต้นิจังทุกขัตาไหมใครว่าอยู่ยกมือขึ้นใครว่าไม่อยู่ยกมือขึ้นใครว่าไม่รู้ยกมือขึ้นอ๋อไม่รู้อันพอจุนเนสลีไอรีลาวัตถีฟังรู้เรื่องบ้างไม่ไน่ใจซานเซเดเตอร์เกอนนะเอาฝูกพูดภาษาไทยเลื่องกัน นามรูปก็ยังเป็นอยู่ภายใต้อา น, นิจังทุกขังตาเพราะมีคําว่ารูปอยู่ด้วยที่ไหนมีรูปอา น, นิจังทุกขังตาก็ต้องเข้าถึงหมดแต่นามเนี่ยอา น, นิจังทุกขังตาเข้าถึงไหมมันก็เข้าไม่ถึงเพราะมันไม่มีรูปที่จะเกาะเกี่ยวแล้วอา น, นิจังทุกขังตาจะปฏิบัติการได้อยู่ในรูปเท่านั้นแต่พอมันเป็นนามปั๊บนี่เข้าไม่ถึงแล้วนะดังนั้นเราจึงปฏิบัติไปเพื่อที่จะกันกรองเอารูปออกให้หมด เพื่อให้เหลือแต่นามล้วนๆสติที่เป็นมิจฉาสติกับสัมมาสติมิจฉาสติกับสัมมาสติอันไหนอยู่ภายใต้กฎแต่รักอันไหนไม่อยู่มิจฉาสติยังอยู่ภายใต้กฎของแต่รักเพราะอะไรเพราะมิจฉาสติยังก่อให้เกิดนามรูปได้อยู่โอ้เรื่องลึกไปแล้วนะ้ฟังรู้เรื่องรึเปล่าเนี่ย เอาใหม่นะตั้งต้นใหม่นะเรื่องลึกเกินไปแล้วนะเพราะนั้นเองความรู้สึกตัวที่ว่าเป็นสติผิดก็หมายความไปสำคัญรูปว่าเป็นเราเวลาปวดขาเนี่ยมันเป็นเราปวดใช่ไหมแทนที่จะขาปวดขาปวดไหมขาก็ไม่ได้ปวดเพราะอะไรคนตายมีขาไหมแล้วคุณตายปวดขาไหมอ่านแสดงว่าขาไม่ได้ปวด แล้วอะไรปวดคนก็ไม่ได้ปวดเพราะคนตายก็ไม่ได้ปวดแต่ที่ปวดคือเวทนาเวทนาเป็นรูปหรือเป็นนามเวทนาเป็นทั้งรูปและนามและเวทนาเป็นได้ทั้งนามและรูปด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวเวทนาจึงเป็นสะพานสะพานเชื่อมกายสู่จิตแต่สมมติว่าเราไม่อยากให้มีเวทนา ถ้าเป็นคนอามพึอามา า, ม า, าดีกว่าจะต้องไม่สเสวยสุขทุกทางกายดีไหมเออไม่เอามือนไม่ต้องรับรู้ไม่ได้สุขทุกทางกายเนี่ยมันลำบากฉันเป็นคนอามาพาดดีกว่านอนสบายมีใครสมัครบ้างเออพราะไม่ต้องไปสเสวยทุกเวทนาก็ไม่มีใครสมัครเพราะอะไรเพราะขาดสะพานเชื่อมกายกับจิตกายกระทบสัมผัสอะไรใจไม่รู้ด้วย เนะพราะไม่มีสะพานเชื่อมดังนั้นตัวเวทนาจึงเป็นได้ทั้งรูปนามและเป็นได้ทั้งนามรูปเนะพราะว่ามันตัวเชื่อมกายเข้าสู่จิตเชื่อมจิตเข้าสู่กายได้เวทนาจึงเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญที่เราต้องศึกษาให้ละเอียดถีถ้วนถ้าหากว่าเราไม่แจ้งในเวทนาแล้วปัญญาก็เกิดยากนั้นจะเห็นว่าคนที่บรรลุธรรมด้วยอาศัยเวทนาอย่างอย่างเดียวเนี่ยมีปัญญาสูงสุดเลย พอจะรู้ไหมว่าสาวกที่มีปัญญาสูงสุดในพุทธศาสนาคือใครพระอะไรหลายคนรู้นะพระอะไรนะพระสารีบุตรเพราะท่านฟังธรรมเทศนาชื่อเวทนาปริคหาสูตรคือกำหนดรู้จำรู้เวทนาเรื่องเล่าย่อๆมีอยู่ว่าพระสารีบุตรตอนที่ท่านเป็นคือเรื่องอะไรท่านชื่อว่าอุปติสะ แล้วท่านเป็นคนฉลาดมากและเพราะว่ามีลุงชื่อว่าทีค า, ารนขันเนี่ยเป็นคู่สนานาธรรมในสมัยที่เป็นครว่าตเพราะต่างคนต่างสแสวงหาแต่ว่าลุงของท่านเนี่ยชื่อว่าทีค า, ารนขะเนี่ยเป็นหมอผีหมอพรามบ้านเราเรียกว่าหมอธรรมเหมือนกันเถอะคือรู้เรื่องลทัทธิประเพณีเรื่องอะไรต่างๆมีอะไรก็มาสอนหลานคือท่าน อ, าอุปะติษฐ์ที่ต่อมาเมื่ออุปะิษฐ์ท่านได้พบกับพระ อัจชชิและเรารู้จักพระพุทธเจ้าก็เลยตามมาบวชด้วยตามมาบวช ท, ที่พระพุทธเจ้าวันหนึ่งเมื่อพร ะ, ะท่านอุปติสาวบวชแล้วได้ชื่อใหม่ว่าพระสาลีบุตรเพราะเป็นบุตรของนางสาลีเมื่อก่อนเนี่ยฉายาเขาจะตั้งเอาตามชื่อของตระกูลของพ่อแม่อุปติสาวเป็นลูกของนางสาลีเขาเลยตั้งชื่อว่าพระสาลีบุตรโมคลานะมาจากตระกูลโมคลานะก็ชื่อว่า พระมหาโมคคัลลานะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อหลานหายไปสิบกว่าวันแล้วก็ตามหาตามไปตามมาก็ปรากฏว่าไปเจ อ, อท่านอุปติสสะหรือพระทศริบุตรถวายงานพัดอยู่ด้านหลังพระุทธเจ้าในสมัยนั้นเป็นหน้าร้อนก็เลยเข้าไปกราบพระุทธเจ้ า, าว่าถามว่าหลานท่า น, นบวชได้อย่างไรเขาไม่เห็นรู้เรื่องเลยพระทาริบุตรก็เล่าให้ฟังว่าบวชพอไปเจอสาวกของพระพุทธเจ้าชื่อว่าอชเชชี แล้วเลื่อมใสในธรรมะของท่านเพราะท่านสอน ว, ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุจะดับก็ต้องดับที่เหตุจะเกิดก็ต้องเกิดที่เหตุถ้าจะดับก็ต้องดับที่เหตุพอฟังตรงนี้เข้าใจแล้วก็ตามมาหาพระบรมศาสดาตามมาแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนภาษาริบุตรโดยตรงเพราะฉลาดเกินไปคนที่ฉลาดเกินไปนี่สอนโดยตรงไม่ได้เพราะอะไร พราะเขามีทิฐิใช่ไหมเขาว่าฉันแน่นะรู้อะไรรู้หมดสอนโดยตรงไม่ได้ท่านก็เลยสอนด้วยอ้อมเหตุบังเอิญเมื่อลุงไปเจอพบพระพุทธเจ้าเข้าก็เลยถามว่าท่านสอนหลานของข้าพเจ้าอย่างไรถึงเอามาบวชได้ตามปกติหลานคนนี้ไม่ได้เชื่อใครง่ายๆแล้วนะมันทิฐิสูงจะได้ท่านสอนอยังไงอ้าว พุทธเจากเอาไเป็นหลานของท่านใชเหรอได้ข่าวว่าได้สอนธรานทกันเรื่อยเอยเนี่ยใช่สนรร่นแล้วท่านสอนเขาว่าอย่างไรเพราะว่าเจ้าที่คานาขาด น, นี่ก็เป็นเจ้าลทัทธิคนหนึ่งเหมือนกันมีความเชื่อเป็นหมอผีหมอพรามณ์คนหนึ่งเขาบอกว่าข้าพเจ้าบอกว่าสิ่งไหนมันถูกต้องสิ่งนั้นก็ถูกใจสิ่งไหนไม่ถูกใจสิ่งนั้นไม่ถูกต้อ ง, งข้าพเจ้าสอนอย่างนี้โดยสรุปว่นะเห็นด้วยไหมสิ่งไหนถูกต้องถูกต้องสิ่งนั้นต้องถูกใจสิ่งไหนไม่ถูกใจสิ่งนั้นไม่ถูกต้อง พูทธเจ้าก็ถามว่าถ้าใครคนหนึ่งทำให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจแล้วท่านเกิดความผูกอาคาตไปฆ่าเขาตายเนี่ยท่านถูกใจท่านนะฆ่าเขาตายได้แต่มันถูกต้องไหมความชักหลังเลวเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งปรากฏว่าเขามาเตือนท่านในทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ไม่ไม่ถูกใจท่านใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาเดินถูกต้องท่านพอใจไหมหามคนนี้ถูกสักไปซักมาชักอึ้งอักอึ้งอักผู้ทีเจ้าก็บอกว่านั่นแหละความถูกใจไม่ใช่ความถูกต้องและความถูกต้องก็ไม่ใช่ความถูกใจนะบางสิ่งบางอย่างมันถูกใจเราแต่ว่ามันไม่ถูกต้องตามธรรมเช่นไปลักขโมยเนี่ยถูกใจเราเราได้ของมาฟรีๆใช่ไหมแต่ว่าถูกต้องตามหลักศีลธรรมไหมไม่ถูกนะบางครั้ง เราอยากจะพูดตามใจเราพูดแต่ว่าคาพูดของเรามันไปทำร้ายคนอื่นคำพูดนั้นก็ไม่ถูกต้องแต่มันถูกใจเราพระพุทธเจ้าบอกว่าความเชื่ออย่างนั้นเป็นเพียงเวทนามันไม่ใช่ตัวสัจธรรมที่แท้เป็นเพียงเพลเพ็นความรู้สึกว่าฉันชอบอย่างนี้ฉันก็หาแต่อย่างนี้ทานเอาอย่างนี้ถ้าคนไหนอยังคนอื่นที่เขาถูกต้องกว่าเขามา พูดไม่ตรงใจเราเราก็ไม่เอาตรงนี้เป็นเพียงเวทนาไม่ใช่ปัญญาในที่สุดพุทธเจ้าก็จัดถึงเรื่องเวทนาว่ากายของเราเนี่ยมันรู้ว่ามันมีอยู่ได้เพราะเวทนาเป็นตัวแสดงแต่ตัวเวทนาไม่ใช่ไม่ใช่สัจจสูงสุดแต่เป็นเพียงสะพานเข้าสู่ตัวสัจจสูงสุดนะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเรามีความรู้สึกตัวเรารู้ว่าเรามีสติสมญา ตรงที่ว่าเราจัดการเวทนาเป็นใครคนหนึ่งรู้เกิดได้รับการบาดเจ็บมากๆแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าตัวเองได้รับการบาดเจ็บเป็นยังไงถือว่าสติสัมยัพูดปกติไหมไม่ปกตินะถือว่ า, าร่างกายนั้นผิดปกติหรือไม่ก็เป็นคนเมาหรือคนบ้าดังนั้นสติสัมญะจะปกติได้ก็ต้องมีเวทนาปกติรับรู้รับทราบเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่ ง, งตึงไหวตามความเป็นจริง รู้หนักรู้เบาของเวทนาแล้วก็เป็นสัญชาตญาณก่อให้เกิดการระมัดระวังอันตรายถ้าเราไปเหยียตบตะปูเล่มหนึ่งแล้วรู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรเนี่ยเป็นไงอันตรายแล้วใช่ไมอพอมีสติสั่ยะอ่อนนี่ว่าเป็นอันตรายแล้วเข้าไปปกปกัปกดูแลรักษานั้นถือว่าตัวสติชัมงยะจ ะ, ะมี <c oughs> ทําทหน้าที่ได้ก็โดยอาศัยเวทนาพระพุทธเจ้าก็จัดว่าตัวเวทนานี้เป็นที่รวมรงของประชุมรงของของธรรมสภาวะธรรมทั้งรูปทั้งนามทั้งหลายต้องผ่านเวทนาเป็นตัวกลางเป็นเหมือนสะพานท่านก็จัดเยอะแยะในเรื่องของเวทนาหลายแง่หลา ย, า ย, ลายมุมในที่สุดเมื่อจบพระธรรมเทศนาปรากฏว่าแต่ความจริงพระพุทธเจ้าจะต้องการเทศสอนคนข้างหลังอ่ะแต่สอนโดยตรงไม่ได้แต่ท่านสอนคนนี้แทน เมื่อสอนคนนิต่ก็มันไปกระทบคนข้างหลังใช่ไหมปาโกรุพ่ะจบธรรมเทศนาการนี้มีคนบรรลุธรรมสองคนคนข้างหน้าได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแต่คนข้างหลังเป็นอะไรเป็นพระลาหัน์เพราะฉะนั้นพระสารีบุตรจึงได้บรรลุธรรมเพราะฟังธรรมเรื่องเวทนาปริคหาสุรคือรู้เรื่องของเวทนาดังนั้นเองในวิธีการที่นําเสนอนี้เราจึงนําเสนอให้ศึกษาเรื่องเวทนาเกิดขึ้นอย่างไร อะไรเป็นเหตุของเวทนาการดับเวทนาทำอย่างไรวิธีที่จะทําเวทนาให้หายไปทําอย่างไรเอามาจึงแนบบอกให้ดูเวทนาที่ละเอียดกลางหยาบทำไงให้มันหายเวลามันหยาบแล้วทาไงมันหายมีสติตามรู้แล้วเปลียย่ยนเยียบบทพอเปลี่ยนเียบบทเวทนาหยาบหายตั้งต้นที่เวทนาละเอียดใหม่ แล้วก็รู้เหตุของทุกขเวทนามาจากสุขเวทนาสุขเวทนาเกิดจากความเบาสบายที่เกิดจากสติสมัมปชัญญะใช่ไหมที่เราเปลี่ยนปับ๊บความสบายเกิดขึ้นความสบายเกิดขึ้นปับ๊บสักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนเป็นไม่สบายอีกวนอย่างนี้เวทนาจึงเป็นอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาเพราะอยู่ภายใต้กฎของชลาธรรมเปลี่ยนไปตลอดเวลา แต่โดยที่เราตามรู้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปว่าเป็นนิจังทุกขังตาตามรู้อย่างต่อเนื่องนเองตัวที่ตามรู้นเองเรียกว่าสติอ า, อาศัยตัวเวทนาที่เกิดขึ้นกับรูปแล้วเราแยกตัวรู้นี่ออกมาต่างหากเรียกว่าสติสัมปชัญญะนี่ดังนั้นเมื่อเราเอาตัวเวทนาเป็นนิมิตกรรมฐานเป็นที่ตามกําหนด แต่ว่าไม่ใช่เพิ่มเวทนาให้มันเข้มอย่างธรรมะบางสายว่าฉันจะนั่งให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ดูว่าเวทนามันแน่จะแค่ไหนฉันจะดูมันสักสามชั่วโมงไม่คลิกไม่เปลี่ยนเลยเป็นยังไงอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จักเหตุเกิดเวทนาเอาเวทนาเป็นตัวตนแต่เวทนาเป็นตัวตนไหมเวทนาไม่ใช่ตัวตนเวทนาเป็นเวทนาอะ นาตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราเอาของที่ไม่ใช่ตัวตนมาเป็นสาระสำคัญสิ่งที่ไม่ใช่สาระว่าเป็นสาระสำคัญรูปว่าเป็นนามสำคัญว่านามว่าเป็นรูปเป็นวิสัยสติหรือสมมตสติเป็นมิจฉาสติก่อให้เกิดทุกข์ใช่ไหมเวทนาตัวนั้นจึงเป็นสมูทยัยนั้นสมูทัยของเวทนาก็คือตัวอนิจจังทุกขังนาตาทีนี้เราจะดับเวทนาได้อย่างไรเอาอะไรมาดับ เวทนาเกิดเพราะอนิจจังทุกขังนาตาใช่ไหมทีนี้เราจะดับเวทนาด้วยอะไรด้วยสติสมาธิและปัญญาเมื่อไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็เอาไตรสีขามาเป็นส่วนดับทุกข์ใช่ไหมสามต่อสามบาลานซ์กันข่ากันได้ประมานเพียงแต่ไม่มีสติเปลี่ยนเนี่ยใช้สติได้ใช่ไหม แล้วก็ตามรู้ว่าหายไปอย่างไรการที่มีสติตามรู้อย่างต่อเนื่องเกิดรู้จากการเกิดขึ้นดับไปชัดเจนเป็นปัญญาใช่ไหมสติสมาติเป็นปัญญาแต่ถ้าเมื่อไรเผลอพลิกไปโดยที่ไม่รู้ตัวสตินั้นเป็นสัมมาสติหรือมิจฉาสติเป็นมิจฉาสติเมื่อเป็นมิจฉาสติก็ขอให้เกิดเป็นมิจฉาสังกปะก็ไม่เป็นองค์ของปัญญานะ นั่นนั้นเราจึงให้ความสำคัญของการตามรู้มากๆเพราะมันจะนำไปสู่องค์ของปัญญานะเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อเราสั่งสมสติสมรยปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นปับ๊บมันก็จะมีความไวมีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วมันสามารถที่จะไปดูขบวนการของเวทานาตั้งแต่เกิดคือเริ่มตั้งแต่เวทานาละเอียดจากสบายใช่จากสุเวทานา เมื่อสุขเวทนาก็เปลี่ยนเป็นอะไรสุขเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกขกเวทานาจากความรู้สึกเบาสบายมาเป็นความหนักขึ้นเรื่อยเใช่ไหมเป็นทุกขเวทานาเมื่อทุกขเวทานาถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนไตรสิขาแล้วก็บำบัดทุกขกเวทานาด้วยอํานาจของอะไรอะวิ ช, ชานี่ตรงนั้นเองแต่พอเราเจาเริญสติ บ่อยเข้าบ่อยเข้าเราพยายามตามรู้เท่าทันของอำนาจของจากสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาแล้วก็บําบัดทุกขเวทนาออกไปด้วยอำนาจของความรู้สึกตัวคือสติสมารถปัญญาก็สติสมารถจะก่อให้เกิดตัววิชารู้ว่ามาจากไหนแล้วดับไปอย่างไรแล้วในระดับรูปตัวทุกขที่มันเกิดกระหาเนี่ยพอพลิกไปปั๊บมันหายไปเราเรียกว่าวิมุตในระดับรูปได้ไหม นะวิมุตต์เกิดขึ้นแล้วคือมันหายไปวิมุตต์ปแปล ว, ว่าหมดไปหายไปสิ้นไปพ้นไปความปวดขามันพ้นไปจากขาของเราเรื่องมันเกิดวิมุตต์แล้ววิชาและวิมุตต์เกิดแล้วนะดังนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องลึกซึ้งนิดหน่อยนะไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งให้เราพิจารณาใค่อยควรจุดเนี้ตามความเป็นจริงบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็จะเกิดทักษะความชำนิชํานาญ เมื่อเกิดความชินใจชำนาญแล้วก็จะเกิดเป็นเอ็กซ์เพียเกิดเป็นการประจักษ์รู้ขึ้นในใจเมื่อมีอะไรมากระทบปับ๊บตัวประจักษ์รู้ที่เราสั่งสมมันปับ๊บมันก็จะเป็นภาชนะของวิชาเข้าไปรองรับเมื่อมีการกระทบปับ๊บสมมุติว่ารูปมากระทบตาเมื่อก่อนเราเห็นโอ้ภาพนี้สวยจังภาพนี้น่ารักจัง แต่พอเราเจริญสติมาครับพอกระ ท, ทบตาปับ๊บเห็นแล้วเไป็นไงเฉยเฉยอ่าเห็นก็เฉยเฉยไม่น่ารักไม่น่าชังน่ะเวลาเขามาชมอู้เธอนี่สวยจังเออคุณนี่หล่อจังเมื่อก่อนที่เราไม่ได้เจริญสติเป็นไงแล้วก็พองใช่ไหมเขาบอกเอ้อแกนี่ขี้เละจังแล้วก็แฟบออกไปวันหนึ่งก็มีทั้งฟูทั้งแฟบเขาชมก็ฟูใช่ไหมเพระเขาตําหนิก็แฟบอยู่อย่างนั้น แต่พอเรามาเจริญสติแล้วเขาจะชมเขาจะทำนี้ก็ไม่ฟูไม่แฟบเฉยๆตัวเฉยๆนี่เองเป็นสัมมาสติแต่ถ้าหากว่าได้รับการชมกันด่าแล้วทั้งขึ้นฟูขึ้นแฟบเป็นอะไรสติเป็นมิจฉาสติมิจฉาสติก็จะก่อให้เกิดความทุกข์เป็นสมูทัยนะดังนั้นเองโอ้หุ่นหมดเวลาแล้วนี่เนาะเลยไปห้านาทีนะอ้า เผื่อตอนที่ฝนตกฟ้าร้องช็อกไปหน่อยอเนาะนังนนั้นเองเรื่องเหล่าเนี้ยเราจะต้องรู้ที่ไปที่มาชัดเจนแล้วเวลาลงมือปฏิบัติแล้วมันเห็นภาพว่ามันถูกตรงไหนมันผิดตรงไหนตรงไหนที่มันผิดแล้วโอเคแล้วไปตั้งต้นทําใหม่ให้ถูกเพราะถูกผิดแล้วไม่สามารถมาคับบัญชาได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นอะนัตตามาขับบัญชาไม่ได้อ่าบทมันจะ เผอมื่ก็ผิดไปอ้าวถ้ามีสติเมื่อก็ถูกขึ้นมาอีกเดี๋ยวคืเผอมันก็ผิดไปมีสติพอเรามีสติบ่อยเข้าบ่อเข้าความเผอก็าเป็นไงน้อยลงน้อยลงน้อ ย, อยลงไปความผิดก็น้อยลงไปน้อยลงไปถูกต้องก็มากขึ้นมากขึ้นตัวสมาสติก็ช่วยแก้ไขปัญหาการเมื่อเราแก้ไขเวทนาได้ถูกต้องปรับปัญญาเกิดต่อไปไอการจะไประมัดระวังการกระทําก็ง่ายขึ้นระมัดระวังคําพูด ก็ง่ายขึ้นนระมัดระวังการคิดก็ง่ายขึ้นเพราะเราระมัดระวังเวทนาที่มันเกิดตลอดเวลายังเป็นเลยใช่ไหมนั้นที่ไประมัระวังเกี่ยวเวทนาที่เกิดจากการกระทำการพูดการคิดก็ง่ายขึ้นเพราะไม่ได <pleas. S 2> <force. S 1> ้เกิดตลอดเวลาเหมือนกายแต่เวทนาร่างกายเกิดตลอดเวลาใช่ไหมแต่เวทนาในการพูดการทําการคิดเกิดบางเวลามันก็ง่ายกว่าเพราะมันเกิดบางเวลาได้ขนาดสิ่งที่เกิดเวลาเนี่ยแก้ไขได้เลยเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อม ตัวสติปัญญาที่จะไปใช้กับจิตต้องฝึกซ้อมใช้กับกายให้เป็นเสียก่อนเมื่อเราใช้ทางกายเป็นทางจิตเป็นไงก็ใช้เป็นนะเพราะฉะนั้นเวลานั่งทำเนะี่ยมันจะเบื่อจะนายจะง่วงจะงเอาจะเซ็งอะไรก็ให้ทนไว้ก่อนก็นแล้วกันเพราะอันนั้นคือวัตถุดิบที่ดีถ้ามันไม่เกิดทุกข์แบบนี้แล้วมันจะมีเรื่องให้เราได้ศึกษาไหมไม่มีเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปรังเกียจทุกข์ไปรังเกียจความง่วงความเงา เราขอบคุณมันด้วยซ้ำไปที่มันเกิดมาให้เราศึกษาใช่ไหมแต่ถ้าเราไปตามมันไปไงมันก็ฆ่าเราแต่ถ้าเราไม่ตามมันใช่เอามันเป็นอุปกรณ์เราก็ขอบคุณมันเออขอบคุณเน่าง่วงที่แกเกิดขึ้นมาฉันให้ฉันศึกษาฉันฉลาดขึ้นเพราะแกง่วงให้ฉันเห็นฉันรู้จากแกแล้วใช่ไมนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีการฝึกฝนสมาสติแล้ว ตัวนิวร์เหล่านี้ก็เป็นส่วนให้เกิดเป็นสมุทยัยแต่พอเราเกิดตัวสติสมญาขึ้นมาแล้วตัวนิวร์เหล่านี้ก็กลายมาเป็นวัตถุดิบเหมือนเราได้ขี้วัวขี้ไวนขี้เป็ดขี้ไก่มาเป็นปุ๋ยใช่ไหมเพราะนั้นผักจะห้ามดอกกุหลาบจะหอมก็เพราะอาศัยขี้เหล่านี้เองขี้ที่มันเหม็นก็กลายเป็นขี้ที่มันหอมออกมาเป็นกลิ่นกุหลาบ ถ้ามันมีขี้เหล่านี้กินกูหลาบจะหอมไหมไม่หอมนะเพราะฉะนั้นอย่ารังเกียดขี้แต่ใช้ขี้ให้เป็นนะแต่ขี้เกียดไม่ดีนะ <laughs> ขี้เกียดตขี้โลกขี้หลงต้องแปละสะภาพขี้เหล่านี้ให้เป็นศีลสมาธิปัญญามันก็จะเป็นความหอมวลของด้านจิตใจโอ้ลิลาวดี Unfortunately I cannot speak with you n o นะ o u n e e ท to l i s t e ม้ไม y mind ไม่ไม่นะว่าเดียท้อจริงหรอเนี่ยดังนั้ น, น, นก็โชคดีที่เราฟังกันรู้เรื่องนะแต่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะฟังเรารู้เรื่องส่วนหนึ่งที่องค์พ่อชอบไปให้ท่านเหล่านี้ไปหาฝรั่งก็เพราะเขาตั้งใจถ้าเข้าใจเขาปฏิบัติจริงๆนะไม่ท้อไม่เหนื่อยแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจขาเขาก็ไม่เอาเลยแต่ว่าเขาเข้าใจแล้วเขาเอาจริงๆอันนี้คือนิสัยของเขาดังนั้นเองในเรื่องของ การที่เราเกิดวิชาเพื่อจะแก้ไขอวิชาก็มีความเป็นมาเป็นอย่างนี้ต่อไปนี้ใครมีข้อสงสัยกธรามเละเวลาอีกห้านาทีกลับไปนอนหลับสิบ้านาทีต้องหลับให้ได้วงเงินเด่นอนนนหลับรอหัวถึงหัวแล้วหลับเลยเนะวิธีหลับจะบอกวิธีหลับพี่จันมีอะไร สุเวทนาตรงนี้แล้วก็เผลอแล้วก็เพลินก็ต้องขอบใจมันอีกเหมือนกันเพราะมันเพลินให้เราเห็นอแต่เป็นธรรมดาพะเราเผลอเราเพลินมาตลอดพบชาติกับกันใช่ไหมจู่ๆจะให้มันหายไปเลยมันยากก็ต้องปล่อยให้มันบ้างแต่เราไม่ใหเ้เผลอให้เพลิตั้งใจจริงๆนะมันก็จะเครียดอีกใช่ไหมเพราะนั้นตัวเผลอตัวเพลิน อ, อามามักจะเปรียบเหมือนอย่างนี้ อ่าเหมือนเราขึ้นบันไดนะเนี่ยเหมือนเราขึ้นบันไดอย่างนี้เราเหยียบแล้วก็ขึ้นใช่ไหมเราเหยียบในอัตราส่วนเท่าๆกันระหว่างอย่างนี้กับอย่างเนี้ยอันไหนขึ้นง่ายกว่า ถ้าเป็นหน้าผาใช่มแทบจะบอกขึ้นไม่ได้เลยนะถ้ามันสูงแต่พอเราทำก็ได้ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขึ้นง่ายกว่าขึ้นได้เหมือนกันนั้นหมายความมีการเผลอมีการรู้มีการเผลอมีการรู้มีการเผลอสลับกันไปในอัตราส่วนทเท่ากันมันกับเป็นส่วนที่ดีมันขึ้นง่าย แต่ถ้าหากว่าเราไม่ให้มันเผลอเลยนะให้มันรู้ตลอดมะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะชันดิ่งเลยขึ้นอย่างเดียวดีไมดีตกลงมาตายนี่เราก็ตั้งใจที่จะรู้อย่างใ น, นที่สุดเครียดอะ่ดะที่ียดมึนหัวนี่นเพราะมันขึ้นตึงเกินไปใช่ไหมจะเอาขึ้นอย่างเดียวแต่อันนี้ขึ้นบ้างลงบ้างเนี่ยนี่ขึ้นเก้าหนึ่งลงเก้าหนึ่งขึ้นเก้าหนึ่งลงเก้าหนึ่งขึ้นเก้าหนึ่งลงเก้หนึ่งเผลอทีหนึ่งรู้ทีหนึ 1, ่งเผลอทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ถูกเผลอก็เป็นส่วนดีใช่ไหมเผอเท่าไหร่รู้เท่านั้นก็จะทำให้ขึ้นได้ง่ายฮะตอนเนื่อยมันเนียนมากตอนเนียนมากก็เพราะแสดงว่าบันไดมันเป็นอย่างนี้มันไม่เท่ากันโอ้ขึ้นไปแล้วท่านจะก้าขึ้นเลยใช่ไหมเดินไปอีกจังนานตรงนี้มันจะหลับแล้วเนี่ยอ่า นั้นหมายความว่าเราก็จะต้องรู้ให้ไวพัฒนาตัวรู้ให้ไวขึ้นเพื่อให้เท่าทันเผอถ้าความเผอกับอาัจารรู้กับเผอที่เท่ากันนะมันกลายเป็นแสงสว่างดูว่าแสงสว่างที่ออกจากดวงไฟเนี่ยสายไฟที่เข้าไปอยู่ขั้วมันมีกี่เส้นมีกี่เส้นสองเส้นเส้นหนึ่งเป็นขั้วบวกเส้นหนึ่งเป็นขั้วลบเนี่ยเเผอกรู้นั่นไเผอก็ เ, อเท่ากับ น égat ีโพใช่ไหมลบเออบวกเท่ากับโพซิทีโพกระแสลบกับกระแสบวกกระแสน égat ีกับโพซิทีก็ให้เกิดมาแต่นั้นก็เกิดแสงสว่างกระแสรู้กับกระแสหลงเท่าๆกันก็ให้เกิดแสงสว่างทําปัญญาเข้าใรยังโอเคแต่ว่าในที่ประชุมก็ตตมือกันเกลียวเกลียวแลนะวันนี้สาธุเอาก็เล่ากันเพราะฉะนั้นเพราะในจิตเราก็มีสองกระแสกระแสเกิดกับกระแสดับ ช่มกระแสบุญกระแสบาปกระแสสมมุิกระแสประวัติกระแสรูปกระแสนามกระแสหลงกระแสรู้อันเดียวกันเข้าใจนะจบปัญหาเอาปัญหาข้อต่อไป any question please ลีลาวดี no อยู่ตรงถามเป็นภาษาไทยก็ตกลงไม่มีอะไรสง่มใสเนาะ หมดเวลาพอดีก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดนี่ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งและก็ทำให้ถูกต้องและสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่วิชาและวิมุตตมรผลนิพานด้วยการทุกคนทุกท่านถือ